เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่บุญฝ่ากุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13ากันยายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมมา ป, ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระบรมศาสดาได้ทรงมอบไว้ให้เพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดแก่ชีวิตจิตใจที่จะตามมาต่อไปคือความประเสริฐเลิศโลก ของจิตที่ใสะสะอาดบริสุทธิ์จิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงจิตที่ปราศจากความทุกข์จิตที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าการทำบุญให้ทานก็เป็นการ ให้อาหารกับจิตใจทำให้มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจการรักษาศีลเป็นการป้องกันจิตใจจากภัยอันตรายต่างๆการฟังเทศฟังธรรมเป็นการเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะนำไปสู่การดับของความหลง ที่เป็นเหตุที่พาให้สารโลกทั้งหลายเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความอยากจนต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จักจบจักสิน้นถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะก็จะสามารถดับความหลงได้เมื่อไม่มีความหลง ความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธก็จะไม่มีความอยากต่างๆก็จะไม่มีเพราะใจมีความอิ่มมีความพออยู่ในใจแล้วนั่นเองวันนี้เพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดทางด้านการปฏิบัติก็ขอพูดเรื่องกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็น คำที่ประกอบขึ้นสองคำคือกรรมและฐานก ร, รมแปลว่าการกระทาหรือการงานต่างๆฐานคือที่ตั้งกรรมาฐานจึงแปลว่าที่ตั้งของการงานต่างๆแต่การงานที่พูดถึงในพุทธศาสนานี้ท่านพูดถึงงานของใจ งานของใจคือการกระทําใจให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องซักฟอกใจเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้จิตใจสงบที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ได้กรรมฐานนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ที่เป็นเครื่อง ที่เป็นที่ทำงานของใจนี้มีอยู่40ชนิดด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติทั้ง40ชนิดมีไว้ให้เลือกตามจริตนิสัยตามฐานะของสติปัญญาของกำลังของจิตที่จะปฏิบัติได้กรรมฐานนี้ มีอยู่4ี่สบชนิดดังที่ได้พูดไว้เช่นแบ่งเป็นอนุสติสิบชนิดเช่นภาวะเช่นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรืออนาปนาสติหรือมรณ า, านุสติก็คือการมีสติให้รู้อยู่กับพระพุทธคุณหรือพระธรรมคุณ หรือภาษาคุณหรือความตายหรือลมหายใจเข้าออกให้จิตระลึกอยู่กับเรื่องเหล่านี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าจะเจริญพุทธานุสติก็ให้เจริญบทอิติปิสโสภะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธหรือจะเจริญบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้ อย่างนี้ทำแล้วจะดึงให้ใจให้เข้าสู่ภายในไม่ให้ใจมีเวลาไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆภายนอกเพราะถ้าใจออกไปข้างนอกแล้วใจจะวุ่นวายใจจะฟุ้งซ่านใจจะมีความทุกข์มีความกังวลต่างๆถ้ามีพุทโธเป็นเหมือนแม่เหล็กคอยดึงใจให้เข้าสู่ข้างใน ใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบใจก็จะเย็นนี่คืออารมณ์ที่เราใช้กำกับจิตใจควบคุมจิตใจซักฟอกจิตใจให้สงบให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ผู้ปฏิบัติก็สามารถเลือกใช้อารมณ์ต่างๆหรือกรรมฐานต่างๆเหล่านี้ได้แล้วแต่จะถูกกับเจริต จริตนี้ท่านก็แบ่งไว้อยู่ห้าชนิดด้วยกันมีราคะจริตมีโทสะจริตมีโมหจริตมีวิตกจริตและมีพุท ธ, ธจริตราคะจริตก็คือผู้ที่มีความใครในเรื่องของกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ชอบแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายชอบของสวยๆงามๆเช่นคนสวยๆงามๆรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นต้นเรียกว่าเป็นลาคจริตกรรมฐานที่ควรจะใช้เพื่อระงับเพื่อดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในไม่ให้หลงกับรูปสวยๆงามๆต่างๆ ก็คือการเจริญอสุภกรรมฐานอาสุภกรรมฐานนี้ก็มีอยู่1ิบชนิดด้วยกันเช่นซากศพต่างๆศพที่ตายใหม่ๆศพที่ตายไปหลายวันแล้วศพที่ถูกทิ้งในป่าชา้าถูกแรงกาถูกสุนัข ก, กัดศพที่อวัยวะต่างๆกระจัดกระจายไป ตามทิศ ต, ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นเพื่อจะได้ระงับดับความยินดีความกำหนดยินดีในความสวยงามของร่างกายนั่นเองนี่เป็น กรรมฐานที่เหมาะกับผู้ที่มีราคะจริตส่วนผู้ที่มีโมหะจริตก็ให้เจริญด้วยอนาปะนะสติคือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอก็จะทำให้จิตใจสงบได้ผู้ที่มีศรัทธาจริตก็ให้เจริญพุทธานุสติ หรือธรรมนุสติหรือสังขานุสติเราเลิกถึงพระพุทธคุณเระเลิกถึงธรรมคุณพระธรรมคุณแลรวเลิกถึงพระสังขคุณหรือจะสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนไปก็ได้ก็จะทำให้จิตสงบผู้ที่มีความฉลาดเรียกว่า เป็นจิตที่มีเหตุเป็นผู้มีเหตุมีผลมีเรียวกว่าผู้ที่เจริญนี้ท่านก็ให้เจริญมรานานุสติคือให้พิจารณาถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าเกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลงไปส่วนผู้ที่มีความวิตกเจริต จะใช้อนาปนานสติก็ได้ดูลมหายใจไปก็ได้หรือจะพิจารณาความตายไปก็ได้เวลาเราห่วงอะไรกังวลอะไรมากๆก็พิจารณาว่าเวลาเราตายไปแล้วเรื่องที่เราห่วงมันก็หมดปัญหากับเราไปหรือสิ่งที่เราห่วงเกิดเขาตายจากเราไปมันก็หมดปัญหาไปไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายจากกันอยู่ดี ยังไม่ต้องไปวิตกกับอะไรมากมายอนาคตนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายสิ่งอย่างอื่นนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนมีดีบ้างมีเสียบ้างมีเจริญบ้างมีเสื่อมบ้างเป็นธรรมดาไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลให้ยินดีพร้อมกับรับกับสภาพต่างๆเพราะไม่ว่าจะดีขนาดไหนก็ตาม ในที่สุดเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเพราะชีวิตของเรานี่ไม่อยู่ไปตลอดมีขอบเขตเวลาของมันซึ่งแต่ละคนก็มีเวลาไม่เท่ากันบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าขึ้นอยู่ที่บุญกรรมที่ตนเองได้สร้างมาในอดีต ถ้าสร้างมามากอายุก็ยืนยาวนานถ้าสร้างมาน้อยอายุอายุก็จะสั้นเหมือนกับรถยนต์ที่เติมน้ำมันถ้าเติมน้อยก็จะวิ่งไปได้ไม่ไกลถ้าเติมมากก็จะวิ่งไปได้ไกลเรื่องของบุญกรรมในอดีตเราไม่สามารถย้อนถอยกลับไปได้เราเป็นผู้รับผลของบุญของกรรม ในปัจจุบันนี้เมื่อมันถึงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเราจะวิตกกังวลหรือไม่ก็ตามมันก็เกิดขึ้นความวิตกกังวลของเราไม่สามารถไปห้ามผลของบุญกรรมที่จะเกิดขึ้นได้แต่การที่เราปรองสังขารได้ปรองยอมยอมรับความตายได้จะ ช่วยให้เราอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขไม่หวาดวิตกไม่วุ่นวายไม่กลัวกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นและจะทำให้เรามีความศรัทธาที่จะปฏิบัติทำให้มากยิ่งขึ้นทำให้เรามีความกล้าหาญที่จะเสียสละที่จะละ สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆไม่หวงไม่แหนไม่เสียดายเมื่อพอรู้ว่าอย่างไรก็อย่างไรก็จะ ต, ต, ต้องจากกันในที่สุดพวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจงคือความไม่เที่ยงมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บ มีการตายเป็นธรรมดามีการพัดพรากจากการธรรมดาถ้าใจมีกรรมฐานคือมรณานุสติคอยสอนใจแล้วใจก็จะปล่อยวางใจจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆจะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นสมบัติผัดกันชนเป็นของชั่วคราววันนี้เป็นของเรา เพิ่งนี้ก็อาจจะเป็นของคนอื่นไปก็ได้เช่นเวลาเราตายไปสมบัติเข้าของเงินทองที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากก็จะต้องกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปเราไม่สามารถเอาสมบัติภายนอกติดไปกับเราได้แต่เราสามารถเอาสมบัติภายในติดไปกับเราได้ สมบัติภายในก็คือความสะอาดความสงบของจิตใจที่เราบำเพ็ญอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเช่นการเจริญกรรมฐานบทต่างๆการเจริญกรรมฐานนี้ก็ต้องสั ง, สงเกตดูบางท่านอาจจะไม่เหมาะกับการเจริญนานาโนสติก็อย่าพึ่งไปเจริญให้เจริญบท เมตตาภาวนาไปก็ได้มมดมเมตตาิตเมตตากรุญามุดิตาอุเบคาที่เรียกว่าพรหมเวหารสี่นี่ก็เป็นกรรมฐานเช่นเดียวกันสามารถเจริญบทเมตตาคือสัพเพสัตตาอเวราหงตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิด อัป บ, บยาปัชชาโหนตุจงไม่เบียดเบียนกันเถิดอนีคาโหนตุจงไม่มีความทุกข์กายทุกใจเถิดสุขีอัตานังปริหรันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิดให้เจริญบทเมตตาภาวนาไปก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปเจริญบทมา น, านุสติหรืออสุภกรรมฐาน เพราะจิตใจของเรายังไม่สงบเวลาจิตที่ยังไม่มีความสงบ ก, กิเลสคือความราคะตัณหาจะมีกำลังมากและจะต่อต้านการเจริญบทกรรมฐานคือมรณะสติหรืออสุภกรรมฐานเราก็ควรเจริญเมตตาภาวนาไปก็ได้เจริญ อานาปนาสติไปก็ได้จเจริญพุทธานุสติไปก่อนก็ได้เพื่อให้จิตใจของเรามีความสงบเมื่อจิตใจของเรามีความสงบแล้วจะมีหลักมีเกณฑ์จะมีเหตุมีผลจะยอมจะรับกับความจริงที่ที่เป็นอยู่และที่จะเกิดขึ้นได้เช่นความไม่สวยงาม ของร่างกายจะพิจารณาทรากศพของคนที่ตายไปแล้วก็ได้หรือจะพิจารณาอาการ32ก็ได้อาการ32นี่ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆภายในร่างกายถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆแล้ว ใจก็จะเกิดหูตาสวา่างจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดไว้จะเห็นว่าร่างกายนี้มีส่วนที่ไม่สวยงามซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ผิวหนังเมื่อพิจารณาอยู่เรื่อยแล้วความยินดีคือราคะความกำหนัดยินดีในร่างกายของผู้อื่นก็จะเบาบางลงไป และหมดสิ้นไปได้หมดสิ้นไปได้แล้วใจก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีคู่ครองเพราะการมีคู่ครองนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเมื่อมีคู่ครองแล้วก็ต้องมีความหวงมีความห่วงมีความรัดมีความยึดติดแล้วก็มีความเสียใจหากคู่ครองต้องจากเราไป หรือหากคู่ครองไม่สู้สัตว์กับเราบันใจให้กับผู้อื่นไปความสุขทั่วใจกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาและอาจจะต้องให้ทำทำให้ต้องไปทำบาททำกรรมเวลาที่เสียใจมากๆโกรธแค้นมากๆกก็สามารถที่จะทำลายชีวิตของคู่ครองของตนไปได้ แต่ถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วจะไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาวิตกเวลาที่ไม่เห็นหน้ากันไม่ทราบว่าไปทำอะไรอยู่ที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องมีความวิตกหลังนี้ไม่ต้องมีความทุกข์ในใจแต่ถ้า ไม่มีกรรมฐานคืออาการ32สองของร่างกายก็ดีหรือการพิจารณาอาสุภะซากศพ ข, ของร่างกายก็ดีความหลงก็จะหลอกให้ใจดูในส่วนที่สวยที่งามทำให้เกิดความอยากได้ทำให้อยู่คนเดียวไม่ได้เวลาอยู่คนเดียวจะมีความรู้สึก ว่าเวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวจิตใจจนในที่สุดก็ต้องไปหาคู่ครองมาอยู่ด้วยแล้วก็มาแบกความทุกข์ไปจนกว่าจะตายจากกันไปหรือแยกทางกันไปแต่ถ้าเรามีกรรมฐานใจของเราก็จะไม่หลงกับ เรื่องของร่างกายเรื่องของการมีคู่ครองใจของเราก็จะอยู่อย่างสงบอย่างเย็นสบายส่วนร่างกายของเราถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ถ้าเราเห็นได้อย่างชัดเจนเราก็จะตัดความหลงที่ยึดติดคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราได้เมื่อเราตัดความหลงนี้ได้ร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่ทำให้เรามีความทุกข์มีความวุ่นวายมีความกังวลใจมีความหวาดลัว พราอเราเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ใจใจไม่จำเป็นจะต้องไปหวาดกลัวไม่ต้องไปทุกกับความเป็นไปของร่างกายใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะแกะ่หรือจะตายไปร่างกายก็จะอยู่ในความสงบ พอไม่หลงยึดติดกับร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างอื่นไปถ้าจะแก่ก็ยอมรับความแก่ถ้าจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าจะตายก็ยอมรับความตายโดยไม่มีความรู้สึกหวันไไวแต่อย่างใด ก็จะสามารถอยู่อย่างมีความสุขและขณะที่ตายก็ตายอย่างมีความสุขตายอย่างสงบนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนี้จะช่วยซักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ให้ปราศจา ก, ก, ค, วากความโลกความโกรธความหลงถ้าเปรียบเทียบใจก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราจะเอาไปซักเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่หลังจากใส่ไปแล้วมันก็ต้องสกรปรกเราก็ต้องซักเสื้อผ้าให้สะอาดก็ต้องมีผงซักฟอกกรรมฐานนี่ก็เป็นเหมือนผงซักฟอก ส่วนศีล น, นี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำสีลที่เรารักษาศีลห้าขดีศีล8กดดีศีลส2 7ร้อกเ็ดข้อดีส่วนทานนี้ก็เป็นเหมือนภาชนะที่เราจะเอาน้ำกับผ้าใสาเข้าไปและเอาผงซักฟอกใสเข้าไปเราจึงต้องมีท่ามการทาบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการ ปฏิบัติภาวนาเจริญกรรมฐานบทต่างๆเพราะเป็นการชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจสะอาดมากเพียงไรก็จะมีความสุขมากขึ้นเพียง น, นั้นความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ความทุกข์ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจ จะมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายได้เป็นได้มาได้เป็นสมบัติไว้ครอบครองแล้วก็นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอน ผู้ที่ยังไม่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทิให้รู้เค้นลับของชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การชำระจิตใจให้สะอาดบอยสุดด้วยการทำบุญให้ทางด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานบทต่างๆนี่เป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่มีวิธีอื่นการหาเงินหาทองมามากมายเพียงไร <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การมีตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม <c oughs> ก็ไม่สามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คนที่เป็นมหาเศรษฐีก็ยังต้องทุกต้องร้องห่มร้องไห้ ต้องยังต้องกังวลต้องหวงต้องห่วงต้องเสียอกเสียใจคนที่เป็นนายกเป็นประธานาธิปดีเป็นกษัตร์ก็เช่นเดียวกันยังไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ถ้าใจยังไม่ได้รับการชำระให้สะอาด บ, บริสุทธิ์จะต้องอยู่กับความทุกข์ไปจนวันตาย และเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องไปเกิดใหม่ต้องไปใช้กรรมไปเสวยบุญใหม่ต่อก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจ และต้องทำให้ครบทุกชนิดด้วยกันไม่ใช่เพียงแต่ทําบุญให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวต้องมีการทําบุญให้ทานมีการรักษาศีลและมีการปฏิบัติธรรมมีการเจริญกรรมฐานต่างๆในเบื้องต้นอาจจ ะ, จะเจริญบทพุทธานุสติไปก่อน แล้วก็ค่อยเจริญบทอสุภะ ห, หรือมรณานุสติต่อไปแต่เบื้องต้นควรทำจิตใจให้สงบก่อนถ้าจิตใจไม่สงบแล้วจะไม่สามารถเจริญกรรมฐานบทมรณานุสติหรืออสุภะกรรมฐานได้ก็ควรเจริญอานาปนสติ มือพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติด้วยการสวดมนต์ไปก่อนข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเวลาสวดหรือเวลาเจริญต้องมีสติพุท ธ, ธานุสติแปลว่าให้มีสติอยู่กับบทพุทธคุณไม่ใช่สวดไปแล้วใจก็คิดเรื่องอื่นไปด้วยอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับบทพุทธคุณลืออยู่กับ พุโทโธถ้าจะเจริญพุโทโธก็ต้องมีสติให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องอย่าอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ตอนที่เราเจริญกรรมฐานให้มีสติอยู่กับบทที่เรากาหนดไว้ ถ้าอยู่กับพุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหรือจะกาหนดที่ท้องก็ได้หายใจเขา้าท้องก็พองขึ้นมาหายใจออกท้องก็ยุบลงไปที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ใจไม่ไปคิดเรื่องต่างๆใจก็จะค่อยๆสงบลงสงบลงเหมือนกับเราเดินเข้าไปในถ้าเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายนอกถ้าก็จะค่อยๆห่างไกลออกไปห่างไกลออกไปจนในที่สุดเรื่องราวต่างๆก็จะหายไปจากใจใจของเราก็จะสงบเย็นสบายคอยกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็หายไป นี่คือวิธีดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาเรามีความทุกข์กับเรื่องอะไรจิตใจของเราวุ่นวายว่าวุ่นสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็ให้หามุมสงบที่ไหนสักแห่ ง, หงแล้วนั่งลงจะนั่งแบบไหนก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งห้อยเท้าก็ได้แล้วแต่จะถนัดถ้านั่งนี้ไม่สำคัญเท่ากับการมีสติ ให้อยู่กับบทกรรมาฐานที่เราจะใช้กล่องจิตใจยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าใช้พุโทโธก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าจะสวดอิติปิโสก็ให้อยู่กับบทสวดไปเรื่อยๆถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ เวลาสงบแล้วก็ไม่ต้องสวดไม่ต้องบริกรรมมันจะนิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้มันนิ่งอยู่เฉยๆไปยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะตอนนั้นจะมีความสุขมากที่มีความเย็นมีความสบายจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากจะไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทั้งสิน้นตอนนั้นก็ปล่อยให้อยู่อย่างสงบไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้วก็เหมือนกับเราเดินออกไปข้างนอกถ้ำก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อตอนนั้นเราก็ควรที่จ ะ, จะเจริญบทมรา น, านุสติบ้างคืออย่าไปคิดถึงปัญหาต่างๆให้เราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายไปแล้วเรื่องราวต่างๆนั้นมันไม่สำคัญอะไร เวลาเราตายไปแล้วเรื่องมันก็จบเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องอะไรอยู่เราก็ใช้เหตุผลใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเราแก้ได้ไหมเราทำอะไรได้ไหมถ้าเราแก้ได้เราก็แก้ไปเราทำอะไรได้เราก็ทำไปถ้าเราแก้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปอย่างมากก็แค่ตายเท่านั้นเอง ไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายในวันหน้าอยู่ดีถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเราก็จะสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างสบายแก้ได้ก็แก้รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดใครจะมายึดอะไรเขายึดได้ก็ให้เขายึดไป ยึดรถได้ก็ยึดไปยึดบ้านได้ก็ยึดไปไม่มีรถก็เดินไปไม่มีบ้านก็หาเช่าบ้านอยู่ก็ได้ไม่มีเงินเช่าบ้านก็ไปขออาศัยตามวัดตามวาอยู่ก็ได้หรืออยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ใต้สะพานก็ได้ถ้าตราบใดชีวิตยังมีอยู่แล้วถ้ายังมีสติปัญญาจะไม่ท้อถอยจะ มีการแก้ไขปัญหาไปได้เพราะถ้าเรารู้แล้วว่าอย่างมากก็แค่ตายเราก็จะไม่กลัวกับเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องเผชิญเพราะมันก็ยังดีกว่าตายถ้าให้ไปนอนใต้สะพานมันก็ยังดีกว่าตายให้ไปอาศัยบ้านคนนั้นคนนี้อยู่ก็ยังดีกว่าตายแต่ถ้าเมื่อถึงเวลาจะตายก็ช่วยไม่ได้เพราะ ต่อให้อยู่ในวันต่อให้อยู่บ้านก็ลหานหลังราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเวลาตายมันก็ตายเหมือนกันตายใตย้ตายในวัดหรือตายอยูย่ใต้ใต้ใต้สะพานมันก็ตายเหมือนกันในที่สุดชีวิตของคนเราทุกคนมันก็ต้องจบด้วยดีเหมือนกันถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจแบบนี้แล้วใจของเราจะไม่ยึดติด ก, กับสิ่งต่างๆ จะยอมรับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็าตามก็ถือว่าเป็นกรรมของเราที่เกิดที่ยังที่ยังต้องเกิดมาถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องพยายามปรองสังขารให้ได้พยายามตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆให้ได้พยายามตัดความอยากต่างๆให้ได้พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงให้ให้ได้ ถ้าเราตัดได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกรรมฐานเป้าหมายก็คือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่มีกรรมฐานก็เหมือนกับการซักผ้าด้วยน้ำเปล่าไม่มีผงซักฟอกน้ําถึงแม้จะสามารถซักเสื้อผ้าได้แต่ก็ไม่สามารถซัก เอาคราบต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้หมดออกให้หมดไปได้ฉันใดกรรมฐ า, านก็เป็นเหมือนกับผงซักฟอกใจถึงแม้เราจะทําบุญจะรักษาศีลได้แต่แต่เราจะไม่สามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐ า, านอย่างมากถ้าทําบุญรักษาศีลก็จะทําให้ความโลภความโกรธ ความหลงนั้นเบาบางลงไปน้อยลงไปแต่จะไม่หมดไปละหมดไปก็ต่อเมื่อเรานั่งกรรมฐานเจริญกรรมฐานจึงขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือกรรมฐานชนิดต่างๆให้ท่านได้นําเอาไปพิิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้น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 ทั้งไหนทางโลกและไหนทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ